เพราะพุทธการก็เรียนจบกันบางคนก็เรียนเพียงวันเดียวฟังหัเดียวก็จบเรียนจบได้ส่วนใหญ่พวกนักเรียนนี่นได้ในทางพระพุทธศาสนาเป็พวกที่เขาอยู่ปีสามปีสี่นะ แล้วก็อยู่มานานแล้ปีสาปีสี่ติดมาหลายกลับหลายกังหลายพบหลายชาติคือเขาได้ทานแล้วได้ศีลแล้วได้สมาธิแล้วแต่เขาไม่ได้ปัญญาทําไม่ได้อริยสัจสีอริยสัจสีนี้เป็นความรู้ธรรมท้ของพระโพธิสัตว์ที่จะศึกษา จนทะลุผุเปินได้จนทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ทำให้เรียนจบวิชาทางด้านจิตใจได้ดันเวลาสมัยรแรกๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวัฒนธรรมเทศนาสอนท่านจะมุ่งไปพวกที่มีทางมีสีมีสมาธิกันแล้ว คือเป็นนักบวชในนักทิต่างๆกลุ่มแรกก็คือพระปัญจวัคทีก็มีทานคือเขได้สระหมดแล้วท า, ดา ง, ง, ง, งด้านครับสมบัติเท้าของเงินทองทางด้านบุติดาสามีภรรย า, แ ล, า, า, ลราแล้วก็บานบุญเพนรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิจนได้ขั้นฌานกัน ได้ทั้งรู้ประชาชนอารู้ประชาชนแต่ไม่มีความรู้ทางด้านปัญญาไม่ทางด้านวิปนะัสสนาไม่รู้ว่าความหลงที่เป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์นี้เป็นอย่างไรและจะแก้ความหลงนีไ่ได้อย่างไรรู้อยู่ว่าใจนี้ยังมีความทุกข์อยู่ เพราะเวลาที่จิตอยู่ในสมาธินี้เหมือนกับไม่มีความทุกข์นองเลืออยู่เลยแต่พอออกจากสมาธิใจก็เริ่มกระสับกระส่ายก็วนก็วายมีอารมณ์ไปกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสจะรู้ว่ายัางไม่ได้เรียนจบถึงไม่ดุดคนแตนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับ อาการกระสับกระสายกระวนกะวายอาการทุกข์ของใจเมื่อแต่พระพุทธเจ้าเองในเร่องต้นก็ไม่สรงสราบเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรหลังจากออ ก, ออกจับสมาธิมาแล้วพระทัยของพระองค์ก็ยังมีความทุกข์มีความกระวนกระวายมีความหวาดกลัวเีย่ยรับเรื่องของ ความเป็นไปของร่างกายเรื่องของคนอื่งก็พอจะตัดได้ตัดมาแล้วเพื่อทางทางพี่น้องญาติพี่น้อ ง, าองทางภรรยาทางลูกก็ส่งกลับมาแล้วแต่ก็ยังมาติดอยู่ที่ร่างกายของผมเพราะร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยังไม่รู้จัก วิธีที่จะทำให้ใจปล่อยวางร่างกายได้จนในที่สุดก็ส่งพิจาณาในเบื้องต้นก็คิดว่าปัญหาของร่างกายนี้อยู่ที่ความอยากอยากจะรับประทานอาหารการคิดว่าถ้าอดอาหารแล้ว ก็จะปล่อยวางร่างกายได้ก็ส่งอดพักกายานถึงสี่ถึงเก้าวันด้วยกันแต่ก็ยังไม่สามารถปล่อยวางร่างกายได้ก็ยังมีความกังวลมีความกลัวเรื่องของความแก่ความจบความตายตในที่สุดก็มรงเห็นว่าความทุกข์นี้ มนมไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่อยู่ภายในใจที่ต้องปล่อยวางร่างกายนี่จะทําอย่างไรที่จะปล่อยวางร่างกายได้ก็ส่งใช้การบำเพ็ญทางด้านจิตตะภาวนาคือต้องเข้าไปดูภายในใจว่าใจกังวลกังวลระวับกาะสายทุกกับร่างกายได้อย่างไรก็ ทรงพิจาเห็นว่าเกิดจากความอยากไม่อยากไม้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ตายแล้วที่สาเหตุที่ทําให้กับความความความความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตางก็เพราะไม่รู้ความจริงของร่างกาย ว่าเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายเป็นธรรมดาเขาเค่เพียงดินน้ำลมไฟเขามาจากดินน้ำลมไฟแล้วเขาก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟพอทรงพิจเจ้าเห็นอย่างนี้ก็ทรงเห็นแว่าพอเขาไม่เที่ยงเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายเป็นธรรมดาเขาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเขามาจากดินน้ำลมไฟ พอเห็นนี้ก็ดับความหลงได้ความหลงที่คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราตอนมีความคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็อยากจะให้อยู่กับเราเป็นานานๆแต่มันก็ไปถึงความจริงแล้วก็เป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ขึ้นในใจก็เลยเห็นเห็นอริยสัจสี่ เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บใครได้ตัวไม่ยัไม่ให้ร่างกายตายแต่ความจริงของร่างกายคือเขาต้องแก่ต้องจะต้องตายเขาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะอะไรไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็ไม่ได้สนใจเราจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่อย่างไร พอเห็นร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไ ด, งได้ทุกก็ดับไปคาว่าทุกดับก็แปลว่า น, นิโรดนี่นิโรต์าปลว่าการดับความดับของความทุกข์ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจแปลว่า น, นิโรตต์และการพิจารณา เห็นว่าเป็นอนิจจ pues ังไม่เ pues ท kind of ี่ยงเห็นว่าเป็นนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราก็ก็เลยรู้ว่าต้องต้องปล่อยวางเพราะถ้าปล่อยวางแล้วก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไม่ปล่อยเพราะหลงเพราะอยากให้เป็นไปถ้าหลงก็จะคิดว่าเป็นตัวเราของเรา แล้วก็จะเกิดวาอยาก็เป็นสมุทัยที่สร้างความทุกข์ขึ้นมในใจถ้าอยากจะดับทุกข์ก็ต้องพิจารณาให้เห็นไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวการพิจารณานี้ก็คือมัรคือสติปัญญานกที่มีองค์แปดสติปัญญานี้เป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนยอดของมัดนักมีแปดองค์เหมือนกับหอกไม่มีทั้งหัวหอกมีทั้งด้ามมีทั้งคนที่จะใช้หอกนี่มีหลายส่วนประกอบกันแต่ส่วนประกอบสาคัญ ก, ก็คือหัวหอกที่ต้องแหลมที่เมื่อพุ่งหอกไปแล้วมันจะทะลุเป้าได้ทำลายสิ่งที่ต้องการจะทาลายได้ เวลาจเจริญ ม, มากไปเรื่อยแล้วมันจะไปถึงยอดถึงหัวหอมเองทั้ต้นแล้วก็จเจริญส่วนส่วนอื่นต่อจจเช่นเจริญทางด้านการกระทําทางกายทางวาจาการการมีอาชีพที่ถูกต้องการมีความเพียรที่ถูกต้อง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 ตามมาต่อต่อพอได้ปัญาจะเริมการพิจารณาดูตามความเป็นจริงของสิ่งที่จะไปมีความทุกข์ด้วยพอพิจารณาสิ่งนั้นแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราพอเห็น้อย่างชัดเจนแล้วก็จะตัดความ อยากให้สิ่งนั้นเป็นไปตามความอยากได้เพรเมื่อมันไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราก็ไม่มีความสนใจต่อไปถ้ายังเป็นของเราอยู่เช่นสมมุติสามีของเราถ้าเขายังอยู่กับเราเราก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากกันแล้วเขาไปเป็นสามีของคนอื่นแล้วีนี้เราก็ไม่สนใจแล้ว ไม่มีความอยากไปอะไรกับเขาแล้วเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะทําอะไรอย่างไรเราก็ไม่ไปทุกข์กับเขาแล้วเพราะเราไม่มีความอยาเพราะเราไม่เพราะเรารู้ว่าเ ข, เขาไม่ใช่สามีเราแล้ ว, ลวพออะไรเป็นของเราขึ้นมานียมันก็จะเป็นตัวทําให้เกิดความอยากในสิ่นนัำำําทันทีอยากให้ดีอยากให้อยู่กับเราไปานาน แต่พอไม่ใช่เป็นของเราแล้วไม่สนใจแลเราซื้อรถมาแล้วเราขายรถคันนี้ไปเอนซื้อมาเป็นของเราเราก็ห่วงเราก็หว ง, หวงอยากจะให้มัน อ, อยู่กับเราไปนานๆอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไปตลอดพอมันไม่เป็นนังใจก็ทุกข์วุ่นวายใจไปจอดรถแล้วก็ถูกเขาเอาค้อนมาทุกบกระจก ใจจก็ปวดร้าวขึ้นมาพอขายรถคันนี้ไปแล้ววนี้ใครจะไปทําอะไรกับรถคันนี้เราก็จะไม่หวาดภาวะเราเป็นของเราเนี่ยจอดที่ไหนบางทีก็เราเป็นห่วงนะตอนกลางคืนตืนต่นขึ้นมายังต้องลงมาดูว่ายังอยู่หรือเปล่าเพราะมันเป็นของเราพอมันอะไรเป็นของเราปรั๊มันก็จะเกิดความผูกพัน์เกิดความอยากใน ในสิ่งนั้าทันทีนั้นในความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราสรรพธรรมานาตตาเพราะอะไรเพราะเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยแล้วจะมีอะไรเป็นของเราก็ามีใจของเราเนะี่ยที่เป็นของเราหรือกรรมนะที่เป็นของเราเรามีกรรมเป็นของของตนอันนี้แหละที่เป็นของเราแท้ก็คือกรรมบุญกรรม กรรมทางศัตว์ทางภาษาพระนี่เป็นกรรมกลางๆไม่ไม่ได้เป็นบุญไม่เป็นบาปการมีสามชนิดด้วยกันคือมีกรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปกรรมที่ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปแต่ภาษาไทยเรามักจะใช้คําว่ากรรมนี้แทนคําว่าบาปเพราะเราพูดกรรมนี้เรามักจะคิดถึงคําว่าบาปทยอะส่วนใหญ่ แต่คนพูดบงทีไม่ได้หมายถึงคำว่าบาปแต่หมายถึงการกระทำที่มีทั้งบุญมีทั้งบาปและไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาปนั้วเวลาฟังก็ต้องฟังให้เกิดความเข้าใจบางทีก็ใช้แทนคําว่าบาปก็มีเหมืนกันเพราะตามตามลันิยมตามที่ใช้กันมาแต่บางเวลาก็พูดเป็นกลางๆว่าเป็นการกระทำ นี่เป็นของเราที่จะกินก็คือกรรมเรามีกรรมเป็นของของตงจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้แหละเป็นของเราที่เราเอาติดตัวเมาพระพุทธเจ้าก็เอากรรมดีติดตัวมาเรียกว่าบารมีบาร ม, มีทั้งสิทประกาศทางบารมีศีลบารมี เมตตาบาลมีขันติบาลมีวริยะบาลมีอธิษฐานบาลมีอุเบกขาบาลมีตัญาบาลมีเมตตาบาลมีจงเป็นที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทรงสะสมมาทุกภบทุกชาติถ้าได้บาลมีทั้งสิ่นี้มาก็าจะเป็น ผู้สนับสนุนผู้ผลักดันให้วงไปสู่การตัดสินโดยทางเดียวไม่ไปทางอื่นพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดตอนที่ประสูติได้มีการทำนายทำพยากรณ์ว่าจะเป็นได้สองสองสองทางด้วยกันเนื่องจากบารมีของพระองค์ว่าถ้าไปอยู่ทางโลกก็จะเป็นพระมหาจากักรพรรดิถ้าออกไปทาง นักบวชก็ได้เป็นมหาก็ได้เป็นศาสตราของโลกแต่มีมีโหออยู่รูปเดียวที่ทํางานว่าจะต้องเป็นพระศาสดาเพียงอย่างเดียวร่้สึกว่าจะเป็นพญากลตัญญะอัง น, นั้นเป็นเป็นโหร อ, อยู่เป็นผู้ทํางานอย่างนั้นถ้าถ้าขึ้นชอบพันเขาให้แ ย, ย่เยแต่ถ้าที่จําได้ก็มีอยู่ ผู้เดียวที่ว่าเป็นชื่อว่าอัญญาณโกมพญะนี่นหละที่ต่อไปอก็จะได้เป็นสาวาอาสาสาสากอยู่แรกในตัปพุทธศา ส, าสนาเป็นก็ะสงฆ์องค์แรกในตัปพุทธศาสนานี่คือสมบัติของเราที่แท้จริงอย่งยอื่นไม่ใช่สมบัติตั้งหลายเพราะฉะนั้นยาวไปตู่เอาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นของเราเป็นตัวเราอย่าไปตู่เอานั่งกายของเราว่าเป็นตัวเราของเราอย่าไปตูว่าสามีภรรยาเป็นของเราลูกหลานเป็นของเราเขาไม่ได้เป็นของเราหรอกเขาเพียงแต่มีความเกี่ยวข้องกับเราทางทางด้านสายพันธุ์เท่านั้นเองทางด้านเหตุการณ์เท่านั้นเองเมื่อสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็เลย เธอวิสาสะว่าเป็นของกันนะกันสามีก็ว่าภรรยาเป็นของฉันภรรยาก็ว่าสามีเป็นของฉันแต่ความจริงมันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นของของเราอย่างแท้จริงเมื่อเวลาหยาดกันก็เลิกกันไปก็ไม่ได้เป็นสมนามีภรรยากัอะไรเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างนี้ ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นสัพเทธัมมาอัตตาสัพสั ส, พสัพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลน้วนเป็นอนัตตาล้วนไม่ใช่เป็นของเรานี้ตัวเรานี่แหลเป็นความรู้พิเศษที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีพระปัญญามารมีที่ แห้มคมพอที่จะมองทะลุเห็นความจริองอะไนี้ด้วยการคิดณาดูทุกสิ่งทุกอย่างว่ามาจากบินน้ําลงไปเท่านั้นทุกอย่างในโลกนี้ที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยมาจากบินน้ําลงไปเท่านั้นผสมกันเข้ามาแล้วก็แปลรูปออกมาเป็นในรูปลักษณะต่างๆ่ากันร่งางกายของเราก็มาจากดินน้ําลงไตต้นไมาา้ใบหญ้า ส่วนไม้ต้นหญ้ก็มาจากดินน้ำเงินไปภูเขาทะเลอะไรพวกนี้ก็เป็นส่วนของดินน้าเงินไปพวกภูเขาก็เป็นพวกส่วนส่วนของดินพวกทะเลมาหาสมุทรก็เป็นส่วนัองน้างําพวกความร้อนต่างๆก็เป็นส่วนของไฟพวกลมเนี่ยพวกที่เระที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นส่วนของลม มันก็มีแค่นี้แหละเมื่อมันเอรวมกันภายใต้เหตุปัจจัยที่ต่างกันเพื่อเราทําให้เขามีรูปร่างลักษณะที่ต่างกันไปต้นไม้มีนมานาชนิดแต่มันก็มาจากดีนน้ำลมไฟเหมือนกันคนมีรูปร่างหน้าตาใจกลางกันมีผิวขาวผิวดำผิวเหลืงผมยาวผมผมสั้นผม ผมเียดขุ่มองอก็มาจากดินน้ำมันไฟเหมือนกันแล้วก็กลับคืนสูดินน้ำมันไฟเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าอะไรมันจะต้องมาจากธาตุทั้งสีนง่นี้แต่ว่ามันจะมีส่วนไหนมากน้อยต่างกันพวกวัตถุต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนของดินมากกว่าแต่มันก็มีส่วนของไฟผสม อ, อยู่ด้วยเช่นไม้ที่เรามา ใช้ปาาลูกลาเหลนี้ถ้าเราเอาไปจุดไฟเท่ามันก็จะมันก็จะปล่อยธาตุไฟออกมามันก็จะไหม้แล้วก็มีไฟมีอะไรออกมาจากนั้นบางส่วนก็ระเหย อ, ออกมาด้วยมันยังมีแต่มันมีอยู่น้อยมากจนแทบจะมองไม่เห็นคิณเห็นว่ามันเป็นส่วนของดินเสี้ยส่วนใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีทั้งสี่ส่วนมันถึงจะรวมตัวกันขึ้นมาได้ร่างกายก็ยังมีทั้งสี่ส่วนร่างกายของเราเนี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นน้ําไม่ใช่นทะางนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาแล้วเขาว่าร่างกายเรานี้่75สามในสี่ส่ว น, นเป็นเป็นน้ําเป็นองค์ประกอบ ถ้าเราเราเอาส่วส่วนน้ำออกมาให้หมดร่างกายก็จะแคบลงไปเหมือนกับเหมือนกับยางรถยนต์ส่วนยหญ่ก็มีแต่ลมเป็นส่วนประกอบพอเราปล่อยลมออกจากยางรถยนต์ก็มันก็จะแคบลงไปเนื้อแต่ส่วนส่วนส่วนดินคือส่วนตัวยาง นี่คือเรื่องของส่งต่างๆในในโลกสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตร้วนหรือ่าเสียดินน้ำลมไฟเป็นส่วนประกอบแล้วดินน้ำลมไฟมันมาเป็นตัวเราเป็นของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตามที่เราไปตู่เขาว่าเป็นตัวเราของเราตอนที่เราไปได้ในท้องของแม่เรา ใจเราเนี่ยแหละไปสถิตยอยู่ในท้องของแม่อยู่ในร่างกายที่แม่คล้นตั้งขันขึ้นมาแล้วพอคลอดมาก็อยู่ติดกันมาแล้วก็ตูกันมาตลอดลว่าเป็นตัวเราเป็นของเราตอนเป็นตัวเราของเรา้วทีนี้ก็อยากให้มันดีอยู่เรือยอยากให้สวยอยากให้งามอยากให แข็งแรงอยากให้อยู่ไปนานๆไม่อยากให้ตายไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บในความอยากเหล่าบบนี้มันไม่ได้ไปกระทบกับความจี็นของของร่างกายของเขาก็ต้องเป็นไปตามวาระของเขาแต่มันไปกระทบกับจิตใจดวยมันไปสร้างความทุกข์ให้แก่ใ จ, ใจความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ ความอยากเป็นอยากมีอยากเป็ น, นเป็นตัวที่ไปสร้างความทุกข์เช่นเดียวกับความอยากในรูปเสียงจิตมันก่อตระก้าเรียกความอยากในกางเรื่องความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากทั้งสามประการนี้เป็นสมุทยัย เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจนี่คือที่ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ในขณะที่ทรงนั่งอยู่ภายใต้โคนต้นโพในวันเพ็ญเดือนหกทรงเจริญสมะถะในเบื้องต้นทำจิตใจให้สงบพอจิตสงบแล้วถอนออกจากความสงบ ม, มีพลังมีความเย็นมีความสบาย ก็ทรงพิจารณาร่างกายจนเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็พิจารณาส่วนที่มีเขาฟังคือนามะขังเวทนาสัญญาสังขารมียาตก็ไม่ใช่ตัวเราของเราและสภาวะธรรมที่อยู่ในจิตก็ไม่ใช่ตัวเราของเราการพิจารณาจนปล่อยวางได้ก็เลยได้ ตัปนรู้อนุตตรสะสมมาสังขปิยา่างพวกสิก่งต่างๆที่ได้พูดอย่างนี้คือกายเวทนาสัญญาสังขารอินยามณ์สภาวะธรรมในจิตเลยล้วนเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา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 ที่ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัวไปกระทบกับจิตใจไปสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจพอตัวนี้ถูกละงับดับไปความทุกข์ก็ระงับดับตามไปด้วยทีนี้อะไรจะเป็นอย่างไรก็จะไม่ไปกระทบกับใจ ร่างกายจะแก่จะเจบจะต้งของเองก็ดีของคนอื่นก็ดีจะไม่ไปกระทบเพราะานี้ไม่ได้มองว่าเป็นตัวเราของเราเลยนมองว่าเป็นของยินน้ำลมไฟเหมือนกับเรามองมอ ง, มองแดดแดดลงอย่างนี้ตั็ต้นเราไม่ได้ไปยึดไปจิตว่ายดกลมสนส้าเป็นของเรา เขาจะตกไม่ตกนรารู้ว่าเราปอยาดไม่ได้อยากก็ไม่เกิดประโยชนย์อะไรถึงแม้เขาจะเป็นพิษเป็นภัยเราก็แต่ห้ามเขาไม่ได้มีแต่ต้องเตรียมตัวรับกับเขาเท่านั้นเองเขาก็ทำได้อย่างมากก็คือทำลายร่างกายเนื่อาร่างการมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็ไม่ได้ไปทำให้จิตใจของเรากระทบกระเทืนอนไปาดไ เนี่ยคือการการตัดสะุหรือการการเงนจบวิชาทางด้านจิตใจจบตรงที่อริยสัจสีจบตรงที่มรรคที่มีองค์แปดที่มีปัญญาเป็นหัวหอกที่พิจารณาอย่างต่อเ น, นื่องอย่างไม่หยุดยังจนเห็น ว่าทุกสินทุกอย่างเป็นสัพเทธรรมะนัสตแล้วก็ปล่อยวางทุกสิทุกอย่างได้ตั้งแต่ภายนอกคือร่างกายของผู้อื่นเข้ามาสู่ร่างกายของเราเข้ามาสู่ความรู้สึกนึกคิดเข้ามาสู่อารมณ์ที่มีอยู่ในจิตว่าไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราพะปล่อยวางทุกสินทุกอย่างได้หมดแล้ว ในก็หลุดพ้งจากความทุกเพราะใจไม่อยากให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นไปเหมือนเมื่อก่อนเป็นไปตามความอยากเหมือนเมื่อก่อนอย่างนี้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะเป็นอย่างไนก็รับได้หไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือเรื่องของของการปฏิบัติ ของการทำตัวของเราหรือทำใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายป้ามหมายของพระพุทธศาสน า, าก็มีเพียงเท่านี้แหละคือมาปลดเรื่องดวงจิตดวงใจของสามโลกทั้งหลายเช่นพวกเรานี้ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความหลง คามที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ไปอยากนั่นอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอสอนให้ให้นำออกไปในพิจารณาแล้วเห็นดังที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วก็จะปล่อยวางได้เองแล้วพอปล่อยาอวางได้ความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปนี่ก็คือ หน้าที่เลี้ยงงานของพุทธศาสนิกชนผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะต้องบงเท็ญจะต้องปฏิบัติเริ่มต้นจากการทำบุญให้ทานเสียสละลดละสิ่งต่างๆที่มันไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชี เอาเก็บไว้เพนถ้าที่จำเป็นต่อการดำที่แล้วก็ควบคุมการกระทนการตายทางว า, ง า, ง า, งางะจาไม่ให้ใจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อืน่นแล้วจะส่งผลส่งความเดือดร้อนกลับมาที่ที่ใจของตนถ้าใจของตนยังไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้ว นำความเดือดร้อนนั้นกลับมาสู่ใจเวลาที่จะทําใจให้สงบนี้ก็จะทําได้ได้เหมือนยันต์ต้นต้องมีสีก่อนใจต้องไม่มุ่นวายกับการกระทําผิดต่างๆพอไม่มีความมุ่นวายกับการกระทําผิดแล้วเวลาจะทําจิตให้สงบ ก, ก็จะง่ายและจะทําให้สงบได้ก็ต้องมีสติก็ต้อง การสติอยู่ตลอดเวลาสติก็คือการระลึกรู้แน่ใจระลึกรู้อยู่กับวัตถุด้าวัตถุห น, นึ่งเช่นบ่างกายหรือ้วยทนาหรือจิตหรือธรรมนี้มีอยู่สี่วัตถุมี่อยูส่สี่ส่วนด้การที่สา ม, มารถเอาสติไปไปผูกไว้เอาใจเอาใจกับสตินี้ไปผูก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 หรือแม้แต่ของที่ฉันเวลาชอบอะไรมันก็จะติดอยู่กับเรื่องนั้นเวลามันชันมันก็จะติดอยู่กับเรื่องนั้นเราต้องต้องต่อสู้กันต้องแย่งกันแย่งดึงมันมาให้อยู่กับร่างกายนรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมให้มันอยู่ในสี่ส่วนนี้ถ้าเราสามารถ แยกมาจากกิเลสได้ต่อไปมันก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเร า, าเราต้องการให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธมันจะไม่ไปทําอย่างอื่นมันจะไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันไม่คิดเรื่องอื่นอยู่กับพุโทโธได้ไม่นานมันก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ พอเข้าสู่ความสงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะยุติเชื่เเอเพลาในการทํางานของร่างกายก็หยุดการหมายถึงร่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่เดินไปไม่ทําอะไรความคิดความรู้สึกไม่คิดเช่เนเมตนาสัญญาสังขารทุกอย่างก็จะหยุดไปเหลืออยู่แต่ความสุบที่เต็มไปด้วยความสุขที่ปลกประหลาดนาสนจ ท, ที่ไม่เคยคบเคยเห็นมาก่อน พอได้พบกับความสุขแบบนี้แนละ้วจะทําให้ความสุขอย่างอื่นนั้นไม่ความหมายไปไล่ท่าไปจะไม่ให้ความสนใจกับความสุขแบบอย่างนีกต่อไปเมื่อก่อนอยังที่ยังติดอยู่กับความสุขแบบนั้นแบบนี้อยู่พอได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแนละ้วก็จะไม่สนใจแล้วทีนี้จะขอ เอาเวลาทั้งหมดนี้มาสร้างความเฉลีนี้ให้เกิดขนเพราะตอนได้ทั้งแรกนี้มันได้เดียวเดียวช่วนนอกกระจากบินนาน้ำก็เรียกว่าคันนิกะคันนิกะสมาธิรวมลงแล้วปับก็ถอนออกมาเลยแต่ตอนที่มันโดนอยู่นั้นมันแสนจะวิเศษแสนจะมหาศาลจ้าทำให้อยากจะได้พบกับความเฉลี่ยนี้มากมากยิ่งขึ้นไป แล้วดูแล้ ว, ว่าวิเพทที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นดได้ยังไงก็คือการมีสติอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ถูกเจริญถ้าถูกเจริดกับพุโทโธก็ให้มีสติกําหนดควบคุมจิตให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆพอทําได้ครั้งหนึ่งแล้วต่อไปมันจะได้มันจะมัน จ, จับเคล็ดได้ละมันรู้รู้วิธีทำละแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต้องการ ก็คือต้องการมีเวลาเพราะตอนนั้นที่ทาอาจจะยังมีภารกิจกับทางอื่นอยู่ยังทำหมากินยังสแสวงหาเงินหาทองหาตำแหน่องอยู่แต่พอได้พบกับจิตรวมแล้วนะทีนี้ก็จะไม่อยากได้อย่างอื่นนะเงินทองไม่อยากได้นะตาแหน่งหน้าที่การ ง, งานต่างๆไม่อยากได้นะก็จะเตรียมตัวลาออกจากงาน เพื่จะได้มีเวลามาทำจิตให้สงบมากขึ้นเพราะการไปทำงานนี้มันไปขย่าจิตมันไม่ได้ไปกล่อมจิตให้สงบทำไปแล้วมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านต่างๆตามมาพอกลับมาจากทำงานจะมาทำจิตให้สงบก็ยากเพราะมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลายิ่งเห็นว่าเงินทองที่ได้มาตำแหนางนที่ได้มา ยศฐานาสังที่ได้มานี้มันไม่คุ้มค่ากับความสุกที่เสียไปถ้าคนได้พบกับความสุบแล้วรับรองได้ว่าทุกคนจะต้องทิ้งความสุขแบบอื่นไปแล้วก็จะมุ่งมาสู่ความสุขแบบนี้ก็จะมาพบว่าความสุขแบบนี้ดีที่สุดเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถาวรเท่านั้นเองมันมัน สุขตอนที่มันสงนบนิ่งแต่พอมันออกมามันก็ยังกระสับกระสารกระวนกระวายก็ต้องใช้หลักการเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้สอนดำเพ็ญยาก็คือต้องเจรินปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจงเป็นอนัตตาพอเห็นพิจารณาว่าเป็นอนิจจงเป็นอนัตตาแล้วถ้าไปยึดไปติดก็จะเป็นทุกข์ ถ้าเห็นเงาแงจ้งนิจังเงาหน้าตามันก็จะไม่ยึดไม่จุบมันก็จะไม่อยากมันก็จะไม่เคงทุกข์แต่ถ้าไม่เห็นเงาหนิจงังไม่เห็นเงาหน้าตามันก็จะอยากพอมันอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอมพอพอพิจารณาให้ว่าเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ําลมไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการรวมตัวกันแล้วก็มีการแยกตัวกันออกไปอยู่ตลอดเวลา ปล่อยวางอยากขาดจากกันเมื่อก่อนหลงว่าเป็นของเราเป็นสา ม, มีเราเดี๋ยวนี้เป็นภรรยาเราเดี๋ยวนี้อยากันละอยากกันทางใจถึงแม้จะอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแบบไม่มีความผูกไม่มีความผูกมัดไม่ใช่ความผูกพันมีอยู่ความดูแลการมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันนี้มีอยูแต่ จะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเรารู้แล้วว่าเราไปอยากไม่ได้พออยากแล้วมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีนี้ปัญหาแค่ทว่าจะรู้ได้อย่างต่อเ น, นื่องหรือไม่เท่านั้นเองตอนที่ฟังนี้ก็รู้อยู่เข้าใจอยู่พอหยุดฟังปัน้นมันก็เลยไม่ทันทีมันก็กลับไปอยากใหม่เหมือนเดิม ยปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำยังไงจะสอนใจให้มันรู้อยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสวรรค์พระพระอนุญว่าต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกก็หมายถึงพิจารณาความไม่เที่ยงแล้วก็เลยรวมไปถึงความเป็นอนัตตาเลยทุกลมหายใจเข้าออกถ้าทําได้รับนองหน้าวันนี้ก็บรรลุได้ไม่ต้องรอ การทำงานของเรามีปัญหาอยู่ตรงนี้ปรัญหาอยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเราจะสอนใจของเราให้ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือไม่ถ้าเห็นได้ก็ดูดได้ดูดพ้ดนได้อย่างแน่นอนตอนนี้ก็มีมีความี ตื่นเต้นกับการสอนแนวหม่หรือแนวเก่านี่แหละแต่นำมาเผยแผร่กันจนทุกคนมีความดีอกดีใจว่าปฏิบัติง่ายเหลือเกินคือการสอนให้ดูจิตตามรู้จิตตามรู้จิตอย่างเดียวทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมาอดน้ำอดข้าวอดอาหารไม่ต้องมาควบคุณบังคับตัวเองให้อยู่อย่างสบาย อย่างปกติแล้วก็ให้ดูจิตไปตามดูจิตไปแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตก็จะหมดไปเองแล้วก็จะหลุดพ้นเองทุกคนที่ปฏิบัติก็ดีกับนั่งพุทโธรู้สึกแสนหลับตาแล้วรู้สึกมัแสนจะลาบากทําทําไม่ได้แต่ถ้าตามดูจิตนี้สบายมากเขาดูได้ได้แต่เขาไม่เข้าใจว่าดูแล้วมันได้อะไร เราได้อาจจะระงับความความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในบางบางเวลาเช่นเราดูจิตแล้วพอเราเห็นว่าเรากําลังโกรธพอเราดูปั๊บเรารู้เรากําลังโกรธมันก็อาจจะทําให้ความโกรธนั่นเบาบางลงไปหรือหยุดไปชั่วคราวได้แต่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เดี๋ยวไปมันก็ไปโกรธเรื่องอื่นเพราะว่าเราเหมือนกับตัด ต้นไม้เราตัดที่กิ่งไว้อย่างเดียวตัดเดียวสักพักหนึ่ ง, งมันก็รอกออกมาเราไม่ได้ตัดที่ต้นเราไม่ได้ไปถอนที่โคนที่รากมันการดูจิตตามรู้จิตนี่ก็เป็นหนึ่งในสติปัฏฐานสีที่ได้พูดเอาไวรู้ว่าจิตของเราเป็นอะไรขนาดนี้จิตเราอยากจิตเราละเอียดจิตเราฟุงา้งซ่านจิตเราสงบจิตเราโล่งจิตเราเกิด แต้ารู้แล้วมันดับก็ใช้ได้แต่มันจะไม่ดับถาวรเท่านั้นเองเพราะมันจะดับถาวรได้ก็ต้องเข้าไปวิเคราะห์เหตุที่ทําให้เราเกิดความโลภวัตถุที่ทําให้เราเกิดความโลภว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังรนัตตาถึงจะดับได้อย่างถาวรถ้าถ้ายังไม่ได้ไปวิเคราะห์ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังรนัตตายังเป็นเรายังเป็นของเราอยู่ เดี๋ยวก็ื่อกลับมามีอารมณ์กับวัตถุอนั้นอีกเช่นสมมติว่าเรารักรถเรามากเนี่ยพอคิดถึงรถเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาหรือใครมาแตะรถเรามาเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาพอเราดูจิตเราก็ระงับอารมณ์มันได้แต่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวใครมาทําอะไรรถเราเราก็เกิดความอารมณ์ขึ้นมาอีกหรือคนเรามีใครที่มีคนที่เรารักมากอย่างเงี้ย พอเราคิดถึงเขาพอไม่เห็นหน้าเขาเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาห่วงเขากังวลพอมีสติเ้วก็หยุดความห่วงนั้นได้ชั่วคราวเดี๋ยวพอไม่เห็นหน้าเขาอีกคิดถึงเขาอีกก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาดูอย่างนี้อย่างเดียวมันไม่พอหรอกดูแล้วมันต้องวิเคราะห์ต่อต้องวิเคราะห์เข้าไปที่ที่ที่ทวัตถุหรือ สิ่งที่เราไปมีอารมณ์ด้วยว่าเขาเป็นอะไรกันแนะ่เขาเป็นเราของเราหรือไม่เขาจะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้หรือไม่ตามยึดครับอย่างนี้เป็นเรเป็นปัญญาแล้วพอรู้แล้วนี่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะจะตัดได้นะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่บางทีก็ยังไม่มีกําลังที่จะตัดมันในร่างกายของเราเราก็รู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เรายังตับความกลัวแก่ความแก่ความเี่จ็บความตายได้หรือเปล่าบางคังที่รู้อยู่แต่เราก็ไม่มีกําลังที่จะไปตัดมันทุกครั้งท่านนึกถึงเวลาที่เราต้องเจ็บไข้ได้ัวดจิตก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความเกิดความกลัวขึ้นมาพอเรามีสติดูจิตมันก็อาจจะหยุดความกลัวนั้นได้เพราะความคิดที่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องความเี็บไข้ได้ัวดมันหยุดไปแล้วพอเรามีสติอยู่กับที่ ที่ผลก็คือความกลัวความกลัวมันก็ดับไปแต่พอเราไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้สว่วนใช่นมาอ่ามันก็กลับขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไปยึดคราะว่ามันเป็นต้องเป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังรับไม่ได้อยู่เพราะเราไม่มีกําลังเราไม่มีกําลังที่จะตรงมันตัวที่จะเป็นกําลังของการตรงนี้ก็คือการรวมของจิตนี่แหละถ้าจิตรวมลงแล้วมันปล่อยทุกอย่าง คุณธรที่รวมนั้นมันเป็นการปล่อยชั่วข่าวความที่จิตรวมมันเป็นหนึ่งเป็นเอกเตารลรวมนั้นตอนนั้นมันปล่อยหมดร่างกายเวทานาสัญญาสังขารยิมยามทรัพย์ยสมบัติเจ้าของเงินทองสามีภรรยาบุตรธิดาอะไรต่างๆปล่อยหมดตอนนั้นจิตอยู่เป็นเอกเทศต า, ตามลําพังถ้ามันปล่อยเพราะว่ามันอยู่ในสภาพนั้นต่อไปมันรู้ว่าวิธีปล่อยปล่อ ย, อยอย่างไรมันมีมันมันรู้จุดที่มันจะไปไปปล่อยได้ใช่ไหมครับ เหมือนกับรถเหมือนกับพวกคนที่เก็บขยะเขารู้ที่จะเอาขยะไปทิ้งเพราก็เก็บขยะมาแล้วก็ขับไปทิ้งกองขยะได้เลยแต่ถ้าเราไม่รู้จักกองขยะเราก็ไม่รู้จะเอาขยะนี้ไปทิ้งที่ไหนรู้ว่าร่างกายแก่เจ็บตายรู้ว่าจิตใจมีความหวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บต่างๆแต่ไม่สามารถตรงมันได้ไม่สามารถป่อนวางร่ า, างกายได้ ถ้ายังขว่อยไม่ได้มันก็ยังมีความกลัวอยู่อยู่อย่างนั้นอยู่ไปเรื่อยๆแล้นอย่าไปเข้าใจว่าเพียงแต่การดูจิตอย่างเดียวแล้วจะไปถึงความนิพพานได้นี่มันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอย่างที่มเมื่อ เ, เช้าว่าเป็นกอไก่ขอไ ข, ข่ลองการปฏิบัติคือการเป็นการสร้างสติขึ้นมาให้เป็นให้มีตัวที่จะบังคับจิต ให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสูอสมาธิให้ได้ก่อนถ้ามันเข้าสื่สมาธิได้แล้วต่อไปเวลามันจะปรงอะไรมันก็จะไปปรงในสมาธินั่นหละมันก็จะปล่อยวางทุกอย่างมันเพียงแต่ทำจิตให้สงบมันก็ปล่อยวางแต่ถ้ามันไม่รู้จุดของความสงบอยู่ตรงไหนมันก็ไม่รู้จะปรงอย่งมันก็ยังต้องแบกมันก็ยังต้องแบกไปอยู่ แบะร่างกายแบบความกลัวความแก่ความเจ็บความตายไปอนี่คนที่เขาปฏิบัติใหม่ๆเขาเขาเล่าว่าโอ้ยง่ายเหลือเกินสบายเหลือเกินไม่ต้องอดน้ำหาไม่ต้องอดไม่ต้องทืิ้นแปดไม่ต้องบังคับทำอย่างสบายจะไปไหนก็ไปได้ให้ดูจิตอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไปเที่ยวไปรักไปทำอะไรก็ได้ ได้มันก็อยู่มันทําได้มันก็ควบคุมได้ในในในเสียงร่าล้อมนั้นเท่านั้นเองแต่ชีวิตของเรามันไม่ได้มีเสียงร่าล้อมอย่างนันอย่างเดียวเสียงร่างล้อมอือนที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปมันก็มีเช่นเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรานักไปนี้แล้วเรายังจะทําใจดูใจให้มันเป็นปกติได้ปะไม่ให้มันเศร้าโศกเสียใจท้อแท้เบื่อง่ายอย่างนี้มันจะทําได้หรือปะ ในชีวิตประจำวันที่เป็นสภาพปกติมันก็ดูได้แต่ถ้ามันไปอยู่ในสภาพที่อัตขัะแย้งแค่งอย่างเงี้ยเป็นสภาพที่เสียเส่ยงต่อความเป็นความตายอย่างี้ยังดูจิตได้หืหเปะยังรักษาจิตให้เป็นปกติได้ไหมปาสติตัวเดียวไม่พ อ, อก็จะสติของพระอาหารทางมนี่ถึงจะพอ ถ้าของผู้อื่นนี่มันไม่พอมันต้องมีทั้งสมาธิมันต้องมีทั้งปัญญาควบคู้กันไปถึงจะสามารถทำจิตให้ตรงได้ปล่อยได้วางได้แต่การดูจิตอย่างเดียวนี้ไม่พอก็อยากจะเล่าให้ฟั ง, งเพราะเดี๋ยวไม่รู้สึกจะมีคนมาเล่าให้ฟังมากว่า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 ศา ส, สดาสายพันธุ์ใหม่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆสอนบบ่างง่ายๆแล้วก็แต่ละแห่งก็สอนสานไสสัสมนมเก็มีพยายามกระทั้งก็สอนอย่างหนึ่งสัมไมเก็ภาวนาพุทโธก็สอนอย่างสมัยก็นิกรก็สอนอย่าง <c oughs> โคเทลักษสอนอีอย่างนี่เขาเรียกศาสดาพันสายพันใหม่ที่ต่างจากศาสดาของพของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนผู้ที่บวชในศาสนานี้ต้องต้องเทารบทธรรมวินัยต้องเชื่อฟังพระธรรมวินัยเพราะพระธรรมวินัยนี้เป็นศาสนาทางโชคเถิด บแล้วยังไม่ได้ห้าวปัญหาต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ถึงนิสัยกับครูบาอาจารย์กันก่อนไม่ใช่บวชแล้วก็มาตั้งตนเองเป็นอาจารย์เลยตรง น, นี้ส่วนใหญ่จะพอบวชแล้วก็จะตั้งตนตั้งสัมมาเป็นเจ้าสํัมัาเป็นอาจารย์ขึ้นมาทันทีอนอนวิชา โลกมันมีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่ากล่าวทำหนี้ถือดีอย่งไรแต่ญาติโยมมกยักจะมองไม่ออกกันดูไม่ออกกันถูกโลถูกหลองมาแล้วไม่รู้กี่รอบก็ยังถูกลหลอกกันอยู่แน่ๆแต่ละองค์แต่ละสายพันุ์โผล่ขึ้นมาทีไรก็เตื่นกันไปใหญ่ยในเมื่อวานนี้ก็ไปวนนบวนเนนเนี่ยว่วนเนนกันหมื่นกับลูกนี่ก็โผล่มโมทนาสาธุกันใหญ่ตื่นเต้นเป็นการยิ่งใหญ่เป็น ารากฏการที่ยิ่งใหญ่ของทางพระพุทธศาสนาบวชเลงกันต้องหมื่นกว่ารูปคือ <c oughs> จะบวชพระแต่บวชบวชพระนี่มันบวชไม่ได้หนึ่งกว่ารูปเพราะมันเสียเวลามากก็จะต้องมีการถามนาคมีการถามตอบมีการสัมภาษณ์นาแต่ละรูปทางที่ปฏิบัติการทำได้อย่างมากก็ครั้งละสามรูป นี่ถ้าเหมือรูปนี่ถ้าวันหนึ่งนี้มันก็คงจะไม่มีทางข้าอุปชารูปเดียวแล้วก็ผู้ที่มาบวชนี่หมื่กนกว่คนนีน่วันหนึ่งมันไม่มีทางจะบวชเสร็จเขาเลยใช้วิธีนี้เวลาบวชเนยนี่ถือศีลสิบแล้วก็เวลากล่าวกล่าวคําบวชเนยต้กล่กาวพร้อมกันได้นแต่วันนี้เมื่อวานนี้เขาให้บวชเนยก่อนแล้ว จะ บ, บวชพระอีกสามวันก็แยกไปเขามีวัดอยู่ร้อยวัดร้อยแห่งให้ไปบวชตามวัดต่างๆกันอการบวชท่างนี้เหมือนี่เพือต้องการสร้างภาพจะได้มีการจับฉากทั้งถ่ายรูปวิดีโอถ่ายอะไรเผยแพร่ให้แก่คนที่ไม่รู้เรื่องทางศาสนาจะได้ ต, ตื่นตื่นจะได้ตื่นเต้น ถ้มามองไม่มองไม่ทะลุมองไม่ออกก็จะหลงหลาคขัางไคล้กันไปไม่รู้วันนี้จะพูดแล้วก็หาเรื่องพูดไปใครมีอะไรสงสัยไห เ ร, ราเห็ก็ได้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องปฏิบัติก็ได้ผู้จัดการจังคะขอสารภาพว่าช่วงนี้ปฏิบัติตัวไม่ดีจ้ะคะคือคือหมกมุ่นกับเรื่องงาน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 ถ้ามันจำเป็นต้องทำก็ต้องทำแต่มันก็มีขอบเขตมันมีเวลาไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเลยเถิดไปเห็นถ้ามันหมดหมดความจำเป็นแล้วเราก็ควรจะรีบ ก, กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันมาสร้างความสงบของใจงให้ได้ถ้าเราไม่กลับมาสร้างความสงบให้ทำให้จิตรวมได้เราก็จะวนอยู่ในอ่างนเราก็จะไปไม่ถึงไหนเ้าพอเรา ร่างกายแก่ลงไปเรื่อยๆมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆแลต่อไปมันก็จะปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงที่จำเป็นต้องหมกมุ่นกับการงานก็ขอให้มันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นอย่าให้มันเลยเกิดไปพอมันหมดเวลานั้นลเราต้องรีบกระตุกเราต้องเรียบ เ, เร่เส็จแล้วกลับเข้ามาสู่การภาวนาะอย่างจริงจัง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่คูบน้าแล้วมันอาจจะไม่ไม่สำเร็จยุ่ยเรื่องเพราะว่าเราทะเลทลายเพราะเราไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติเท่ากับการงานที่เราทำอยู่ แต่อย่างที่บอกถ้ามันเป็นความจำเป็นจริงๆก็ต้องยกให้เขาไปก่อนแต่นู่นนี่อะไรที่มันจะจำเป็นสําคัญตลอดเวลาอาจจะเพื่อเป้าหมายเป้าเป้าหมายอันใดหนึ่งเช่นทำงานเต็มที่เพื่อจะได้เก็บเงินเก็บทองไว้เพื่อให้มีเงินทองนี้มาปฏิบัติอ้ไอย่างนี้ก็ต้องทำไปก่อนแต่พอได้ได้บรรลุเป้าหมายของเราแล้วเราก็ควรที่จะหยุดการงานนี้หรือทำให้มันน้อยลงไป แล้วมาทําการงานทางด้านจิตให้มากขึ้นการสารภาพนี่มันไม่ไม่เกิดประโยชนย์อะแต่ถ้ามามาเล่าไม่ฟังเพื่อขอทําแนะนําก็ด้านแต่การสารภาพนี่มันถ้าคิดว่าสารภาพแล้วกลับไปทำาหม่ได้ก็อย่าอย่าสารภาพดีกว่าสารภาพเพื่อที่จะเป็นการ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 อากเรียนั้านอาจารย์ค่ะใช่ค่ะท่านอาจารย์คะอยากขอคำแนะนำอะไะอย่างเงี้ที่เพิ่งเริ่มมานะคะพิจารณาความที่สวยนงานแล้วก็อัค่าแล้วก็ฟังเทสอันเนี้ยฟังไปเนี้ยก็คือมีความเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าอยากทราบว่า ตรงที่เราจะตัวเราแบบของเราตรงในส่วนที่ภาพสีเนี่ยนะคะที่เราฟังแล้วเราก็ใจเนี่ยแต่เรายังไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทางคมันก็ดีตัวอย่างก็สมมติว่าเวลาเรานั่งสมาธิไปแล้วสมมติว่าเราเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายต่าง ถ้าเราเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ควรจะปล่อยมันนั่งเฉยๆแล้วถ้าเราเชื่อว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บปวดนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ปล่อยมันให้มันเจ็บมันปวดไปหรือเราจะสมมุติว่าความเจ็บปวดนี้เป็นเหมือนไฟที่กำลังเผาร่างกายเชนเวลาที่เขานําไปเผาศพ เราร่างกายนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกันใช่ไหมร่างกายคนเป็นคนตายนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนตรงที่ว่ามันหายใจยี่หายใจเท่าเดิมแต่ส่วนประกอบต่างๆมันก็เหมือนเดิมขนก็ยังเป็นผมอยู่ขนก็ยังเป็นขออ น, ข อ, อ, ยยนข อ, อยู่แล้วตอนนั้นทําไมร่างกายมันไหวให้ไฟเผาได้ความที่มีจิตอยู่ก็ถ้าจิตเชื่อว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงยินน้ำลมไฟ ถ้าเชื่อว่าเวทนานี้เป็นเหมือนไฟที่กําลังเผาร่างกา ย, ยจิตก็นั่งดอมันไปสิเผามันไปนั่งดูเวท น, นาที่เป็นเหมือนไฟนี้เผาร่างกายไปจนกระทั่งมันกลายเป็นที่เท่าที่ฐานไปแล้วมันก็จะมันจะนก็จะเห็นเองมันก็จะเห็นเองว่าในที่สุดร่างกายนี้ก็เป็นส่วนของดินน้ำเหมือนไฟมันจะแยกออกจากกันเพราะตอนนั้นจิตมันจะปล่อย พอปล่อยแล้วมันก็จะรู้อ๋อร่างกายนี้มันจะเป็นเหมือนกับถูกยินที่เรานั่งพื้นที่เรานั่งอยู่นี่เดือดไปเป็นเป็นเนื้ออันเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันส่วนจิตผู้ที่ดูนี้ก็รวมลงเข้าสู่ความสงบสบายไม่ได้ทุกข์แล้วไฟที่เผาร่างกายนั้นมันก็มอดหายไปหมเวทนาก็ดับไปหมมันจะเห็นอย่างนั้นถ้าไม่เห็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่สงสัย แต่ตอนที่เราเห็นนี่ยังเป็นจินตนาการอยู่ยังเป็นสัญญาอยู่แต่เราต้องอาศัยสัญญานี้มาเป็นตัวสอนเจตสอนจิตก่อนสอนจิตแล้วพอเราเข้าสู่ในเหตุการณ์จริงเช่นในขณะที่เรานั่งแล้ว เ, เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาเราก็ต้องเอาความจริงที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายและเวทนา ว, ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเรามาใช้ใน ในเวลานั้นร่างกายก็เป็นเหมือนซากศพเวทย์งงานาก็เป็นเหมือนไฟที่กําลังเผาซากศพจิตก็เป็นผู้ดูดก็ดูปเหมือนกับเราไปงานศพงานศพตามชงบทเมื่อก่อนนี้เขาไม่มีเมนเขาเผาแบบรัางไว้บนกองชุอเราก็นั่งดูได้เราก็นั่งดูร่ า, ราก ง, งกาย ข, ของเราก็ากาลังถูก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 เมื่อร่างกายเมื่อภาพที่เราดูอยู่นั้นมันจะมันจะเหมือนกับว่าเป็นภาพที่ไฟเผาร่างกายจนกระทั่งร่างกายนั่งกายเป็นขี้เท่าขี้ทานไปตอนนั้นมันก็จะเกิดาการะทำแยกออกจากกันร่างกายมันก็จะไปอยู่ส่วนหนึ่งกับของพื้นที่เรานั่งอีู่ส่นจิตใจเข้าสื่อความทรง ถ้ามันเข้าอย่างนั้นแล้วมันจะมันมัจะเห็นชัดเจนมันจะไม่สงสัยแ้ามันจะปล่อยได้เพราะมันรู้ว่าปล่อยแล้วมันไม่มันไม่ได้เป็นโทษอย่างลยการไปยึดไปติดมันกับเป็นโทษเพราะปล่อยแล้วจิตสงบจิตไม่มีความทุกขถ้าไปยึดไปติดจิตจะกระวลกระวากระสับกระส่ามันจะเห็นอย่างนี้คออนข้าใจนะ ยังถามพระอาจารค่ะคือว่าเวลาที่เอมีความโกรธนะคะโดยตัวเองแลนะคะบางทีเราก็จะมีสติสติรับรู้บางทีระงับได้บางทีก็รู้ทันบางทีก็ก็ก็ไม่ทันก็จะมีตอบโต้ไปบ้างแล้วช่วงก็เป็นบ่อยค่ะสิ่งที่แบบเราจะทําให้เราโมโหแล้วไม่พอใจอย่างนี้ทั้งนี้กก็อยากจะให้ทระอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยว่าเราเป็นวิธีการ ทำยังไงเพื่อระนาวความโกรธอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความไม่พอใจนั้นคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรแต่ก็เป็นคนระนาวครามอะไรอย่างเงี้ยทําให้เรามาโกรธทั้งๆ ท, ที่มีเรื่องที่บางทีเหมือนโดนแตะร้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเื <ừ> องทีเราก็ไม่เคยจะอิจฉร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือความโกรธของเรานี่มันเป็นผลที่เกิดจากความโลภหรือความอยาก เราโลภหรืออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ตามใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาส่วนความโลภมันก็ออกมาจากความหลงความหลงที่ว่าเล่นอะไรในโลกนี้ที่จะให้ให้ความสมอยากกับเราได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็อยากไปอยากอยากไปโลภ นี้ั่นแหละนั่นแหละ เ, เ, <g di> เ, เรากําลังโลกแล้วเพราะเราอยากจะให้เขาว่าแล้วพูดชมเราไม่เราไม่อยากให้เขาด่าเรานั่นก็อยากแล้วแค่เนี้ยแหละเร า, <c ười> เ, ราเราไม่อยากให้เขาว่าเนี้ก็เป็นความอยากอนี้งั้นเราต้องยอมให้เขาด่าให้เขาว่าอยากเขาด่าถ้าเราอยากก็ด่าแล้วเราก็ด่าเราเราก็จะสงใจเราก็จะไม่โกรธเขาเราจะขอบใจเขาเขาใจไห ทุกอย่างมันมีความอยากอยู่ทีนันะมันเกิดความเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นความอยากกันบางทีมันเป็นความอยากในการยิ้มกับเราอยากเข้าชมอย่าเงี้ยถ้าเราอยากเข้าชมเราก็ไม่อยากย้า้เข้าด่าใช่ไหมหรือถ้าเราไม่อยากทั้งไม่อยากเข้าชมแล้วไม่อยากเข้าด่ามันก็มันก็ยังเป็นความอยากอยู่มองเข้าชมมองเข้าชมหรือเข้าด่าแล้วก็เราก็เกิดขึ้นมา แล้เราต้องทําใจให้เป็นการก็คือทําใจให้เป็นสมาธิป่อยวางแล้วก็ใช้ปัญญาว่าอยู่ในโลกนี้มันต้องมีทั้งสารเสรื่อนั่นมีมิถาเป็นธรรมดามีการเกิดมีการดับเป็นธรมม ร, นธรมดามีการเจริญรากเป็นธรรมดาก็มีการเสรื่อมรากเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่ยยศเป็นธรรมดามีสารเสม่ย่่อมมีทาร มีทานิีทายเป็นธรรมดาเป็นของคู่กันมีสุขก็ย่อมในทุกเป็นธรรมดาถ้าเราเหนดีกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอสิ่งนั้นมันหายไปเปลี่ยนไปเราก็จะเกิดทางทุกข์และเกิ ด, กกดกความโขขกรธขึ้นมาท่านนั่นเอ ง, งก็ต้องอย่าไปอยาด ก, ากับอะไรอย่าไปหวากได้อะไรอยากคือให้ยห็นดีตามมีตามเกิดวันนี้ได้อย่างนี้ก็วันนี้เขาชมก็ได้ พรุ่งนี้เขาด่าก็ได้อให้รับได้ทุกอย่างอย่าไปเอาส่วนใหญ่ใจของพวกเราจ ะ, จะจะอยากได้การเจริญเจริญราบยศเจริญเสริญสุขเพราะพอมันเสือ่อแตัเราก็จะโกรธขึ้นมาทั้งทีว่าบาทีเราปฏิบัติแสดงว่าเราเราทได้ไม่ดีไม่คะเกิดตว่ามคือเรายังไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติของเราเรา เราเป็นแต่รู้ว่าพุทรพุทโธนั่งสมาธิไปนะนส่วนใหญ่จะรี้ขั้นนี้แต่จะไม่รู้ถึงเรื่องของปัญญาว่าว่ามีความจาเป็นต่อการระยับดับความโลภความโกรธความเหมือนของเราอันนี้มันเป็นขั้นละเอียดมากสอนเท่าไหร่ก็พูดเท่าไหร่ก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แล้วก็เลิมหายกันแล้วก็กลับมาถามคําถามเดินๆเดิมๆไปอีกเพราะว่าไม่ได้เอามาใส่ใจไม่ได้มาคิดอย่างอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความหนุ่มอย่างที่พุดแต่เริ่มต้นคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราแต่เราก็ยังอดที่จะอยากไม่ได้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ พอไม่ได้สนใจยอย่าง ก, ก็เกิดความโกรธเกิดทางสีงใจขึ้นมาเท่านั้นเ อ, อยู่งๆเท่านนแะประเด็นยันนอยู่ตรงนั้นเพียงแต่เราไม่ไม่เกาะติดอยู่กับประเด็นนี้นพอเราเห็นอะไรสวยๆงามๆเราก็เราก็อยากจะได้แล้วแล้ว เ, เรามีความรู้สึกคังมรู้สึกในใจว่าเราเราไม่อยากให้คุณมาตำํำหนิเรามาว่าเราพอใครมาพูดมาตำหนิมาว่าเราเราก็เกิดความโกรธขึ้นมา นื่แหลเป็นเป็นตัวหนึ่งตัวอย่างหรือเป็นเครื่องตัวอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์จะใช้สอนลูกศิษย์ลูกหาท่านชอบอยายั่วยุยาโทศะของลูกศิษย์เหมนกัลูกศิษย์ก็รู้ว่าโกรธครูบาอาจารย์ก็ได้ได <c oughs> แล้วก็โกรธอยู่ห้องนั้นเลยจากนั้นลูกศิษย์ก็ดับได้เพราะว่าท่านช่วยคุยเขี่ยให้เรา พรบางทีบางคนพอได้สมาธิแล้วที่เราบรรลุแล้วไม่โกรธแล้วหรือบางคนฟังเทศฟังธรรมทาบซึ้งจิตทราบซิ้ใจแล้วที่ว่าไม่มีความโกรธแล้วเหมือนนิทานเรื่องงที่คุณหญงคุนายฟังเทศฟังธรรมหลวงพ่อโยมฟังเรียนที่ทราบซึ้งใจจิตสงบกิเหลนี่สงบราบความความโกรธไม่นีอยู่ในใจก็ดีใจไปเล่าให้หลวงพ่อฟังว่า ตั้งแต่หนูได้สวามเทศสั้งทรมมวงพ่อแล้วย่างนี้จิตใจ่นูเย็นสบายไม่โกรธไม่แค้นไม่อะไรทันหลวงพ่อหล่ออีกต่อแล้วว่าแค่นั้นก็โผล่มา เหมือนคนยืดไปเก่น uh, ้องตู่เชี๊ยเนี่ยต้องทำใจงมากเลยถึงน่าทํงมาทำไมวะเมื่อตอนมันก็ตางกันไปก่า้วมายุ่งเมื่อก่อมาทำไมมาไม่เรื่อยลในเวลามัก็ไล่ถอเลยนั่นแหละอุบายของคูบาอยจางสวสอนเราตั้งแเก้าแรกก็ไปในร่านนี้ท่านก็ยับสายเอาตลอด เงินเนที่อื่นะใครนาออยขอตอนรับยินดีเสร็จแล้วเฮาจ้างนะดูสามตัวเนี่ยมันอยู่ที่สามตัวเนี่ยอยู่ที่โลกสกดหตัวตัวแรกก็คือตัวหมเนยเรายังมีความหลงอยู่มากเราต้องพิจารณาไจลัเหวี่ยงเนีย่านเี้ไม่มีกำลัง ที่เที่ยงแทงแนนอนไม่มีอะไรที่จะสนใจอยากแล้วพอเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้ไม่ตัวอย่างเราก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามมีตามเกิดการก็ไม่ได้ปล่อยหนี่หมายถึงว่าส่วนไหนที่เรายัางทําได้แล้วก็ทำไปเรามีงานมีงานวราก็ทําำไปของเรามีหน้าที่เราแล้วก็ทำไปของเราให้ดีที่สุดแต่เรื่องของคนอื่นเขาเขาจะ อันนโมทนาหรือไม่เขาจะด่าเราหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะดีกับเราหรือไม่จะเชื่อกับเราหรือไม่ก็เรื่องของเขาเราเราไม่บังคับเขาไม่ได้ดูเขาเหมือนเป็นเป็นตะเดียเป็นฝนเป็นแดดอย่างนี้ปลอยให้เขาเป็นไปตามนี้ของเขาฝนตกก็ปล่อยตกไปแดดจะออกก็ปล่อออกันถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ค่อยมึนงงใจ กันนะคะสมมขอกลับเรียนว่าถ้าสมมติจากเคสอย่างเางี้ยเป็นในที่ทา ง, งานนะเทถ้าเกิดเป็นกับหัวหน้างนานกับเราอย่างเงี้ยก็เหมือนกันกับใครก็แล้วแต่เราก็อยากไปหวังอะไรจากเขาแล้วถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราไปหาที่อื่นทํำดีกว่าไหมหรือก็มีอยู่สองประเด็นว่าเราไปเพราะอะไรถ้าเราไปเพราะเราทน เขาไม่ได้เขาเลยนเราแพ้ทางด้านปฏิบัติเราก็ต้องอยู่ต่อถ้าเราอยากจะเอาชนะทางด้านปฏิบัติก็ต้องต้องชนะใจเราใจเราต้องปล่อยให้เขาทำอะไรเขาได้แต่ที่มีมีเขาอานวยไม่งไงที่ทรงบอกให้พระเจ้าย้ายที่ไปอย่าอยู่ตรงนี้เลยพระเจ้าปัญหามอยู่ตรงนี้ก็ต้องย่องแกู้่ตรงนี้เดี<อ>๋ยวไปที่อื่นก็เจอปัญหาเดิม ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหามันอยู่ที่เราถ้าเราแก้ปัญหาของเราได้แล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วถ้ามันเป็นปัญหาที่อยู่ในใจเราเราก็ต้องแก้ที่ใจเราไม่ไปเปลี่ยนที่แล้วถ้าเป็นปัญหาเราาืงอนเงินเดือนมันน้อยกว่ามันน้อยไปทำแล้วไม่พอใช้อย่างนี้ก็ไปหางานที่อื่นที่ได้เวลายได้มากกว่าทั่วไปอั น, นั้นเป็นคนละประเด็นกัน ต้องอยากจะเด็นให้ออกว่าเราไปเพราะอะไรเออแล้วเราไม่แพ้เขาเราแพ้ใจลอยงแพ้ก่เหลสลองแต่ถ้าเราอยอมแพ้เขานองชนะกิเลสลอยงยอมแพ้เขาส่วนยอมไม่ก็ทําในตามความต้องการของเขาใจของเราก็จะสงบจะสบายไม่เดือดร้อนเราก็เป็นเพียงดินน้ํำลงไป เขาก็เป็นเหมือนแดดเลยฝนฟ้าถ้ามองก็อย่างนั้นคือฝนตกแดดออกเราไปโมโหนะเวลาฝนตกแานออกเ้าหงุดหงิดใจนเวลาฝนตกแาดออกเวลาเขาแสดงอาการอะไรออกมาเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองเราไมนจะดูว่าเขาเป็นดินน้ำลมไฟเขาเราเป็นงว่าเขาเป็นคนเป็นเจ้านายหรือเป็นทะไรก็แล้วแต่ นั่นเป็นสนุนเกเนียความจพีเขาเป็นเพียรดินหน้าดินใสทังนั้นมาเนี่หลัก็การดูจิตต้องดีอย่างเนี้ยการว่าง่ายลคือเราก็ว่าเราก็พยายาม เหมือนท่านอาจารบอกวันก็คือไม่ไปสนใจไม่เลยแต่เหมือนกับว่าเขาก็จะถามว่าทำไมถิงเงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่้องตอกเขาเลยเขต่อว่าแค้เป็นภาชนะเป็นมานเลยหัวหน้าเอเกจีเลยก็เลยหวังเว่าก็คุณจะทำอะไรก็ทำเลยเพื่อเราไม่เป็นปัญหาเลย อปัญหาไมันอยู่ที่ใจเราใจเรามีมีความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไม่ยอมรับเขาตามความเป็นจริงของเขาคือมันก็เหมือนที่ได้แบบนี้คือทุกทีหนึ่ก็ผิดแบบนี้ทีหนึ่งคือมันแค่ครั้งแรกคือเหมือนกับว่าก็ได้ทำมาหัวแท้ไปก็มาเตือนสติตัวเองในในแบบนี้แต่มันก็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 เนี่ยก็เป็นการทดสอบกิจการของเราว่าเราปฏิบัติไปเป็นยังไแล้วตอต้องขึ้นเวทีถ้าเป็นนักบยก็ต้องขึ้นเวทีถึงจะรู้ว่าได้ได้แชมป์หรื อ, อยัง <c oughs> เวลาต่อยกันกสอบการั ง, ง่ายเพราะมันไม่ตอบโต้ล้ว <c oughs> เราต่อยมันยั ง, ยงไงก็ได้ <c oughs> เวลาเราิด้อยอยู่เนี่เราพิจารณาอย่นี้แล้วก็พิจารณาได้ แต่พอราขึ้นไปบีท like ีพอโดนเขายักขึ way, ้นมาทีก็งงก็งงเป็นไก่ตาแตกไอ้ที่สุดที่ส่อามาที่หายเป็นวันเนียคือหราก็คิดเหมือนกันนะถ้าไปก็คือเหมือนก็เราก็หนีหนีปัญหาไปหรือว่าเราแพ้ แต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้จริงๆอยู่แล้วมันถึงกับจะเป็นบ้าบางทีก็ต้องพ้อมก็ต้องไปก่อนไปตั้งก่ก็ต้องไปตั้งก่แต่คนที่อย่างคนอย่างพธธาระพุทธเจ้านี่ท่านท่านมีพลังพอที่จะรับได้ถ้าไม่ถึงกับเสียสติท่านก็อยู่แต่ถ้าเราอยู่เราจะต้องเสียสติเป็นบ้าไปก็ถอยไปตั้งถอยไปตั้ ง, อองก่อนก็ได้าน เราต้องรู้ว่าเป็นการถอยเพื่อสู้ต่อไปไม่ใช่ถอยไปเรื่อยๆพอเจอปัญหาเดิมก็ถอยอีกถอยอีกไปไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ควรควรจะถอยไปเพื่อไปไปไ ป, ไปตั้งหลักไปสร้างเสริมสร้างพลังจิตให้มีพลังมากขึ้นเพื่อจะได้รับกับเหตุการณาไต่อไปก็เหมือนเวลา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 พอเราคิดว่าเรามีพลังพอแล้วเ้าก็กลับมาทดสอบดงกลับมาขึ้นเวทีดูหรือว่าเป็นยังไงจิตของเราเนิ่นเฉยได้ไหมกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีไม่จะชั่วเราก็อยู่เหนือเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่าก็จะรู้ว่าผ่านนี้ไม่ผ่านหรือดีขึ้นหรือหรือเร็วลงก็จะรู้ แต่ในเรื้องต้นเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างปัญญาสร้างสมาธิสร้างสติเราต้องไปที่เล็กๆต้องไปอยูที่เสนบสงบก็เป็นเป็นเหมือนกับคนไข้ต้องไปอยู่โรงพยาบาลเป็นสถาที่ที่เหมาะต่อการรักษาร่างกายสถานที่วิเดกต่างๆก็เป็นสถานที่เหมาะต่อการรักษาใจพอใจมีพลังมีกําลังแนละ้วทีนี้ก็ ออกมาเผชิกับโลกต่อไปหน้าไม่หวันหว่นไหวกับโลกกระทำทั้งแปะพระพุทธเจ้าก็ยังต้องติดด้เรื่องถึงหกหกปีเรื่องกันต้องออกจากวังไม่รู้ว่าอยู่ในวังไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้เพราะมันมีเรื่องเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่คอยรับเรื่องมันก็เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาที่จะปล่ปลูกฝังลูกฝังให้มี สติมีปัญญามีสมาธิเพ่มากขึ้นก็เลยต้องต้องเล่รอดออกจากพระราชวังไปเพื่อไปเสริมสร้างสติปัญญาเดินมาทั้งจิตมีกำลังเป็นที่ลนะทีนี้ใครมานิมนต์ไปไหนก็ไปใครได้ทุกคนทุกแห่งพระราชบิดาส่งส่งสารให้ไปโปรที่พระราชวังก็เสงสด็จกลับไปโปรตีไม่มีความรู้สึก ว่นไหวหรืออะไรเลยไปได้ไปแล้วก็ไม่ติดด้วยไปแล้วก็ไม่อยู่ไปแล้วก็ออกมาแม่ถ้าอยากจะเสริมสร้างกำลังจริงๆก็ออกากงานเพื่อไปปฏิบัติเลย <c oughs> ไปเปลี่ยนงานทาไมเปลี่ยงานไม่ไม <c oughs> เ, เสียเวลากปล่าเอาทำตรงเลยเอาทาตรงเลย จะงานไปปฏิบัติหนึ่3สามปีห้าปีก็ได้แต่เ่าจะกลับมาทำงานต่อก็ได้แต่มีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเพราะถ้าปฏิบัติสามปีห้าปีมันต้องมีอะไรแน่นอนแต่มันจะไม่กลับมาเพาทำงานนั่นสิทามันได้แล้วมันไม่กลับมาทำงานนะ ถ้านกลับมาก็มามาสอนคนได้มากกว่าจาบเรียนถามท่าน<ม>พระอาจารย์เจ้าค่ะถือว่าการภาวนาพุทโธเนี่ยคือคือช่วงเนี้ยช่วงหลังเนี้ยเจ้าค่ะคือภาวนาแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันจะทําให้รู้สึกม่วงซึมไปมากกว่ากับการที่ว่าอย่างเมื่อกี้เมื่อช่วงเช้าที่ท่นานอาจารย์บอกว่าให้ดู ให้พิจนารนณาดูกายเราก็นั่งดูกายนะโอเคอเราเรามีสติรู้รู้ตัวอยู่แต่ก็พอานานๆสักๆมันก็จะลุบไปบ้างแต่ว่าก็ดึงกลับมาได้เจ้าค่ะแต่ถ้าเทียบกับการที่บอกว่าภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปคือมันมันเหมือนกับว่าพอเราออกมาแล้วเนี่ยมันซึมมันทําให้เรารู้สึกง่วงหรือบางทีเราก็มีความรู้สึกว่ามันร้อนอืก็เลยไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดอย่างไรเจ้าค่ะคือปฏิบัติมันไม่ได้ผล แล้วก็ปัญหาก็คือสติมันไม่ไม่มีกำลังพอพอถ้าเราบ่อยกรรมไปแล้วสติมันออกเนี่ยมันจะเท่าไปทำพวางหรอกมันก็อยากจะเกิดอาการเคร่ง อ, อยากจะหลับขึ้นมามันก็จะไม่ได้ผลการที่เราจะทําให้เกิดได้ผลเนี่ยเราต้องอยู่ในที่ที่มันน่า ก, กลัว ตอนนั้นสติสตังมันจะดีจะไม่ใช่หรือไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่สามารถจะอยู่ที่หน้าเตียได้เราก็ต้องผ่อนอาหารเช่นรับประทาอาหารมือเดียวอย่างนี้มันก็จะทาให้ร่างกายเบาขึ้นทำให้ความง่วงเหงาหาง อ, อนมาอยลงไปแล้วเราก็ควรจะฝึกเตรินสติอยู่ทุกเวลานาที ไม่ใช่สุดแต่เฉพาะตอนที่เรามานั่ง ท, ทําพุกทอยเดียวเวลาคนจะกุดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาเราก็ตั้งสติเฝ้าดูกายเราไปหลัก็ได้กายเราจะลุกเราก็ให้เฝ้าอยู่ที่กายอย่าอย่าไปที่อื่นกายอยืนขึ้นมาเดินทําอะไรแคให้อยู่กับการกับทาของกายอย่าไปคิดเรื่อง ถ้าเรามีสติอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะพอเรานั่งภาวนาพุโทโธห้านาทีก็รวมลงได้เพราะว่ามันมันจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวมันไม่ไปที่อื่นการมีอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนห้านาทีนี้ก็รวมลงได้แต่ถ้ามันไม่มีอารมณ์เดียวมันอยู่ได้แค่สองสามวินาทีแล้วก็รับไปคิดเ่งนั้นนร่องนี้น แล้วก็กลับมาอีกนาทีนึ่งก็กลับมาอีกสองสามยิแล้วก็ไปอีกอย่างนี้นั่งทั้งวันก็จะไม่สงบแล้วมันก็จะเกิดอาการอย่างที่เราพูดเนี่ยก็จะอาการที่มันไม่ที่เราไม่ปรารถนาง่วงเหงาเหงานอนหรือเกิดอาการรูมร้อนอะไรขึ้นมาได้มันจะไม่วอรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่จะให้ผล <c oughs> ก็ต้องจเจริญสติเป็นหลัก <c oughs> เป็นยานประจํา ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในในภารกิจการงานอะไดก็ในปัจจุบันนั้นให้อยู่กับภารกิจการงานนั้นอย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่เรากําลังทําภารกิจต่างๆให้อยู่กับภารกิจนั้นให้ใจจดจ่อข้อมองอยู่อยู่กับการกระทําของร่างกายถ้าอยู่อย่างนี้แล้วแสดงว่ามีสติแล้วแต่ส่วนใหญ่เวลาเริ่มมันจะทําไม่ได้แล้ว อยู่ได้เดียวเดียวมันก็ออกไปคิดไม่ได้แนละ้วแปลงฟันอยู่ตรงนี้มันก็ยังไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ได้ที่แสดงว่าเผลอสติแล้วถ้ามีสติมันต้องอยู่กับการแปลงฟันอยู่ทุก ท, ทุกจังหวะของการแปลงเลยถึงจะเรียกว่ามีสติถ้ามีสติอยู่อย่างต่อเ น, นื่อแล้ว ก, ก้าจะทาจิตให้สงบนี่ไม่เป็นเรื่องยากเย็นอะไร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 เข้าสู่ความสมางบใการการปฏิบัติที่ปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือสตินี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าบรรลุได้เจ็ดวันหรือเจ็ดปีนี้ก็อยู่ที่ดูสตินี้เป็นหลักถ้าได้สติแล้วเจ็ดวันก็บรรลุได้ทั้งว่าอย่างนั้นว่ได้สติแล้วทําอานาปนานสติให้จิตสงบก็จะสงบลงพอจิตสงบลงรวมลงก็งงจะมีพลังออกมาจาก ออกจากสมาธิพิจารณาใจรักเดียเดียวมันก็หลุดได้มันไปอย่างนั้นสติมันจะควบคุมจิตให้อยู่กับงานที่ต้องทำเวลาทําสมาธิก็อยู่อยู่กับการทำสมาธิเวลาจเจริญปัญญาพิจารณาใจรักก็จะอยู่กับการพิจารณาใจรักมันจะไม่เเคลเเคไหลไปคิดเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นอกเรื่องนอกราวของนอ ก, ออ ก, นอกรูนอกทางมันจะไม่ไปมันจะนจดจอ่ออยู่กับงาน ถ้าอย่างนี้แล้วไม่นานมันก็จะหลุดได้เจ็วันก็หลุดได้หรือเพียงฟังผลเดียวก็หลุดได้พระอัญญาณโกณฑัญญฟังครั้งแรกก็หลุดได้เพราะจิตจดจ่ออยู่กับการฟังแล้วก็พิจารณาตามความจริงที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้พราะเห็นว่าอ๋อปัญหาอยู่ที่ความอยากก็ตัดความอยากแล้จิตมันก็หลุดลงเข้าสู่ความสงบปล่อยวางค ว, วาปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ถือว่าเป็นธรรมดา เพราะท่านจิงมีสมาธิอยู่แล้วมีสติอยู่แล้วขาดแต่ปัญญาแต่พวกเรานี้มันตรงกันข้ามเราขาดสติเรามีปัญญาเยอะเราฟังเทศฟังธรรมกันนีกี่ร้อยม้วนกี่ร้อยแถนเต็มไม่มดแต่มันเป็นปัญญาที่ไม่เป็นภาวนาไมยักษปัญญามันเป็นสุตตะเมยัปัญญา ม, มันไม่ได้เข้าไปสู่ใจมันไม่ได้เข้าไปสู่ใจที่ พัฒสอนอยู่ทุกเวลาทุนาทีเพราะใจเลยจะคิดเรื่องอื่นมันไม่ยอมคิดเรื่องธรรมะมันคิดมันคิดแต่เฉพาะเวลาฟังเท่านั้นเองพอออกจากพอออกจากที่ฟังเทศแล้วมันก็ไปคิดเรื่องอื่นทันทีคิดเรื่องเพื่อนเรื่องถูกเรื่องเที่ยวเรื่องทําภารกิจการงานต่างๆมันไม่เคยคิดอยู่กับธรรมะเหมือนกับตอนที่นั่งฟังเทศทำๆมันยังไม่เป็นปัญญาที่แท้จริง เป็นปัญญาที่แท้จริงมันจะต้องพิจรารณาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะจะมีสติคอยควบคุมให้มันพิจรารณาอยู่ตลอดเวลานั่นแห ล, ะ, ละมันถึงจะได้ผลฉะนั้นธ <c oughs> รรมะที่เราต้องเจริญมากที่สุดในตอนนี้ก็คือสติ <c oughs> แล้วก็พอมีสติแล้วทีนี้ก็จะพุโทโธมันก็จะอยู่ของพุโทโธ การพิจารณร่างกายมันก็จะอยู่กับการพิจารณาแล้วมันก็จะนําปครอสู่ความสงบนําเข้าสู่การปล่อยวางอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่การเจริญสติอย่ามองข้ามการเจริญสติไปตัวย่างฝึกไว้นอนมาหลายครั้งแล้วเราตื่นขึ้นมาให้ตั้งสติให้ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เรื่องจากการเจ้าค่ะเราการมีสติเนี่ยเราจะต้องฝึกให้ช้าก่อนหรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะว่าพอทําเร็วมันก็เลยเป่ดเป็ดทุกทีเลยเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่ามันมนมันจะได้ผลอย่างไรแต่โดยธรรมดามันน่าจะไม่ต้องช้าถึงกับเป็นเหมือนกับเต่าคลานคือก็ทําภารกิจของเราตามปกติเดินไปไหนมาไหนก็เดินตามปกติจิตของเราไวกว่าร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกันสติของเราไวกว่ามันหลายร้อยเท่า เพียงแต่ให้มันรู้ให้มันอยู่กับร่างกายนั่นเองให้รู้ว่าเรากำลังอยู่กับร่างกายหรือป่าตอนนี้นี้อเรากำลังคิดเรื่องอื่นแล้วก็ฐางนั้นเองถ้าคิดเรื่องอื่นก็เดินกลับมาที่ร่างกายต่อไปเดินกลับมาอยู่ที่ร่างกายอยู่นี้เท่านนการกระทํางานของร่างกายก็ทำเป็นปกติมันไม่ต้องช้าหรอกไม่เหมือนที่เขาสอนกันคือ ก้าวยาลุกอันนี้มันอันนีมันไม่จำเป็นต้องทำชาขนาดนั้นมันไม่ได้อยู่ที่กายสติอยู่ที่ใจเพราะพอ้สติมนก๊อกกลางขึ้นแล้วใจะเร็วขนาดนั้นมันก็ไม่สามารถเลี่ยนรอดความรวดเร็วของสติไมด้สติมันที่เร็วต่อร้าร้อยเท่าหลายความเท่าแล้วเวลาเราทํางานคือว่าปกติพออย่างเช้าเนี่ยโอเค คือเราก็สามารถที่จะอยู่กับกายเรายัางขอได้ใช่ไหมเจ้าค่ะหรือขับรถเราก็จะพยายามใช่ก็อยู่กัารขับรถเแต่คราวนี้พอเวลาทํางานเนี่ยทีเราก็าามุ่งมัน่นแบบว่าเหมือนกับเรามีเป้าหมายว่าเฮ้ยจะต้องทําให้เสร็จเพราะนั่นแหละคราวนี้มันก็ <c oughs> ไปตามนะเจ้าค่ะวิธีการที่เแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยคือพยายามดึงกลับมามันบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะเจ้าค่ะมองเลยมองมีความรู้สึกว่าทางโลกกับทางธรรมมันเหมือนกับว่า มันสวนกันนะเจ้าค่ะคือว่าทางทางทางทำเนี่ยก็ <m> เหมือนกับว่าให้เราปล่อยวางว่าโอเคงานมันจะเสร็จหรือไม่เสร็จ <m> แต่ว่ามันคือเราก็มองว่าทางโลกเนี่ยเราเหมือนว่ามันผูกกับความรับผิดชอบที่ว่าเรารับเงินเดือนเขาแล้วเราเขาก็มอบหมายเป้าหมายมาให้เราเราก็ต้องทําให้เสร็จ <m> เหมือนกับมีแผนงานที่จะต้องทําให้เสร็จอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก <m> ็เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเราควรจะทําอย่างไรอย่างนี้ก็ทำด้วยสเตเต ก็ทําด้วยถ้าทาด้วยสติมันก็จะทําสําเร็จอย่างรวดเร็วจะไม่ผิดพลาดที่มันผิดพลาดเพราะมันไม่ได้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่มันมัวไปอยู่กับเวลาที่เขากําหนดว่าจะต้องให้เสร็จมันมัวกังวลกับเวลาที่จะทำไม่เสร็จก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้อยู่กับางานที่เรากำลังทำอยู่งานที่เรากำลงทําก็ทําแบบผิดๆถูกๆยิ่งเร่งยิ่งเร่งยิ่งรีดมันก็ยิ่งผิดยิ่งถูกอย่างยิ่งไปทางไหนยิ่เสียเวลาเนี่ย มันไม่ได้อยู่ต่อการงานมันได้อยู่ในปัจจุบันมันไม่ขาดกันหรอกทางธรรมกับทางโลกมันต้องมีสติด้วยกันทั้งทางงานทางโลกกับงานทางธรรมก็ต้องมีสติเหมือนกันมันถึงจะสําเร็จยุต่ลงเป็นประโยชน์ได้ถ้าทําอะไรไม่มีสติมันก็จะผิดพลาดทำาะไรก็จะคลั่งเผลอพราะทําแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เลยเดมแปลว่าทําทําทําครบหรือยัง ทำถูกเมว่อย่างแล้วก็ท้ามไปทำอย่างอื่นต่อม่มีบอกไม่มีสติทำทรรมะทางโลกถ้าเกี่ยวกับเรื่องสตินี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ขัดกันรับรองได้ไม่ขัดกันอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าสติมีความจําเป็นในทุกกรณีไม่ว่าจะการ ง, งานทางโลกหรือการ ง, งานทางธรรมนะก็ต้องมีสติถึงจะทําทได้โดยไม่ผิดพลาดถ้าไม่มีสติก็ทําไม่ได้เวลาเมาเหล้าเราไปเย็บเย็บผ้ามันเย็บได้ไหม มันไม่มันไม่มีสติมันยึดไม่ได้หรอกจำค่ะต้องมีสติทีเวลาเราทํางานแล้วเราไม่มีสติหรือว่า ก, การทํางานเรามัวไปกัวงวลว่าเดี๋ยวเขาจะมาเอานะเรายังทําไม่เสร็จมันโมนั่งคิดอยู่อย่างเนี้ยมันก็ทําแบบผิดๆถูกๆไปแล้วก็ยิ่งทำไม่เสียเวลาอย่างพอยิ่งเสียเวลาก็ยิ่งเครียดอย่างตตก็ยิ่งวิตกกังวลอย่างสติก็เอยไม่อยู่กับงานกับการเหมือนที่ว่าขาดกันขัดตรงที่ที่กิเลส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 พอคิดเสร็บวางแผนเสร็จแล้วรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเวลาใดเมื่ อ, อไร่แล้วก็หยุดแล้วเรา ก, ก็เริ่มมาทํางานของเราต่อถ้าต้องทํางานตามที่เราวางแผนวแล้วเราก็ทําตามแผนออกไปอย่างตอนนั้นก็ไม่ต้องคิดแล้วหยุดคิดให้ให้คิดอยู่กับงานที่กําลังทำว่ากําลังทําถูกหรือไม่กําลังทําถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีให้อยูต่ตับงานที่กําลังทําอยู่ถ้าทําอย่างนี้แนละ้วรั บ, บรองได้ว่า งานจะสําเร็จรุ่งรุ่งได้อย่างรวดเลยวแค่ะอยู่ที่สติตัวเดียวเท่านั้นแหละอกับเปลี่ยนถางอีกประเด็นหนึ่งสิคะอย่างเรากลับบ้านมาเหนื่อยๆเนี่ยวิธีการที่จะทําให้สามารถที่จะสงบจากโลกภายนอกที่เราเพิ่งไปสับสนวุ่นวายมาเนี่ยเราควรจะเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิมากกว่ากันเนี่ยแต่ค่ะแลแต่เราจะแล้วแล้วแต่เราจะพอใจ เพราะว่าการเดินด้วยการนั่งมันจะเป็นตัวปฏิบัติตัวที่ปฏิบัติก็คือตัวจิตจิตปฏิบัติได้ทั้งเดิ น, น, นและนั่งแล้วตัวที่จะทําให้จิตปฏิบัติได้ก็คือสตินี่ถ้าเราทํางานมาทั้งวงันด้วยสตินี่พอกลับมาเราจะพุโทโธได้ทันทีแล้วก็จะสงบได้ ท, ทันทีเพราะว่างานอือ่นมันจะหายออกไปจากจิต แ, แล้วเพราะมันเป็นยันตไปหมดนล้วเราจะอยู่ในปัจิบันตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นอย่างนั้น เรากลับมาบ้านแล้วเรายังเอางานมาที่บ้านด้วย <c oughs> นั่นแหละเพราะว่ามาเอาอดีตเข้ามาในปัจจุบันมันก็เลยทําให้เราภาวนาพุทโธไม่ได้เพราะเรายังคิดถึงงานที่เราทําอยู่เพราะเราไม่มีสตินั่นเองถ้ามีสติเราอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นจิตต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ที่บ้านแล้วมันจะมีงานได้ยังไงถ้าเราไม่เอามาถ้าใจของเราไม่ไปกว้างท่อ ง, องในใจของเรา มันต้องอยงนมันถึงจะถ้ามีสตินั้นมันจะมีแต่อยู่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเกิดเมืมเ่มันผ่านไปบางทีลืมไปละบางที่ทําอะไรถ้าไม่ได้คิดถึงมันบางทีลืงได้เมื่อกี้เราทำนี่อย่างแต่แต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าเราเร า, เราทำตามขั้นตอนแล้วไม่ต้องกังวลทำไปแล้วก็แล้วแต่ไม่ต้องไปกังวลว่าทำหรือไม่ทําแต่เราจะอยู่ในปัจจุบันอยู่บ๊ายบายแล้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 <pouch. S 2> อดีตก็คือํานักคําทํางานของพระพุทธเจ้าว่าอนุเนื่อจะบรรลุภายในสามเดือนนี่ก็อนุก็คิดถึงทำารรมนาเยอะแยะแล้วก็มากังวลเถรนารกว่านี่ใกล้จะครบสามเดือนแล้วยังไม่บรรลุสักทีนี่ก็เกอบแก้กล้าวเวลาแล้วได้ใหญ่เร่งความเพียรก็ยังไม่สําเร็จสักทีก็เลยก็เลยใจมันก็เลยกลับไปกลับมาจากอดีตจากงานคบ ตอนเดิก็เชื่อว่าพระเจ้ า, าจคำดำนายพรเจ้านี่แน่นยําแต่พอใกล้ความจริงแล้วมันกลับไม่เป็นก็เลยเกิดความรังเกีสงสัยจิตนี้ก็ไม่ได้ภาวนาจิตไม่ได้ลีในปฏิบัติเพื่อภาวนาเพื่อทําจิตให้สงบเพื่อปล่อยวันมาคำนวณกับเรื่องอดีตอนไราคนพอใกล้จะสว่างแล้วรู้ว่าปฏิบัติงานท น, น, นี้ก็ไม่มีทางบรรลุได้นะ ก็เลยหยุดปฏิบัตินอนดีกว่าพอจะนอนตอนนั้นมันก็หยุดเลยมันปล่อยอดีตมันปล่อยอนาคตมันจะมันอยู่ปัจจุบันมันก็ปล่อยหมดมันก็หยุดได้สติจะเป็นตัวดึงจิตให้อยู่ปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันนี้เป็นที่เกิดของทั้งเห็นและผล จะทำอะไรก็ต้องทําในปัจจุบันนี้ใช่มรรคผลนิพพานก็อยู่ในปัจจุบันนี้การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานก็อยู่ในปัจจุบันนี้อาวยาศาสตร์ศีก็อยู่ในปัจจุบันนี้ทุกสมุทัยนิโรธนั่นก็อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ไม่อยู่ในอนาคตทุกอย่างอยู่ในปัจจุบันหมดแม้กระทั่งดวเราวเราก็อยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่ได้อยู่ที่อื่นตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่ไหนอดีตของเราก็ไม่มีอนาคตของเราก็ไม่มี เราอยู่ตรงนี้แต่เราส่งไปคิดถึงอดีตแล้วเราก็ส่งคิดถึงพงศาวุธเพราะเมื่เช้าเราออกจากบ้านมาเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่บ้านแต่ความจริงมันพอไปถึงที่บ้านมันก็เป็นปัจจุบันในตอนนั้นของมันที่นี้ก็จะเป็นอดีตไปนี่ไง เร็วมากนะคะปัจจุบ e. ันเราจิตแค่นั้นเแล้วก็อีกหนึ began. ่งนาทีมันก็เป็นรดีแล้ปัจจุบันมันมันมันความจริงมันมันไม่เร็วปัจจุบันมันนิ่งแต่เหตุการณ์มันมันมันเคลื่อนไปเวลามันเคลื่อนไปแ้่จิตเรามันได้นิ่งกับเหตุจิตเราตามไปกับเหตุการณ์นี้ก็เลยเหมือนกับว่ามันเร็วแต่ความจริงที่จิตถ้าพอเราเนิ่งแล้วอะไรมันมันก็จะเป็นเหมือนมันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไป พอจิตเราไม่เน่ยงมันก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างปัจจุบันกับอื่อนาคตมันปวนสับสนหปึ่มันก็เลยไม่สงบมันก็เลยไม่เห็นภาพจริงมันก็เลยไม่เห็นอนิจจามันก็เลยไม่เห็นอนัตตาแต่ถ้ามันเน่งแล้วมันก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนตปลงมันเคลื่อนไหวไปอยู่ตลาดเวลาเราไปบังคับไปควบคุมกับไม่ได้เขามาเขาไปเหมือนเรานั่งอยู่ที่ริมน้ำแล้ว น้ำไหลกระแสน้ำไหลามาเรือกับไหลามาขยะ ก, กับไหลามาอะไรก็ไหลามาเราก็ได้แต่น้ำดึงเท่านั้นแล้วเขาก็ไหลไปไหลไปถ้าเราดูเฉยๆแล้วเราไม่ไปรียอะไรกับเขาเราก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าเราไปดูแล้วพอเราไปชอบอะไรเราก็เหมือนเสียดายเรือเรือไม่สวยแ้วยกันมาแล้วก็ไปใจเราก็เลยคิดตามเลยบางต่อ เกิดความอะไรอาบกับความโหยหวนอยากจะได้อยากจะเห็นเรือล้มน้ำอยู่นานนก็เป็นความทุกข์ใจเสมอแต่ถ้าใจอยู่นิ่งๆแล้วปล่อยทุกอย่างมาแล้วไปมันก็จบไม่เป็นปัหาเลยนิจใจอยู่ไม่นิ่งที่เราพูดกันนี้เนก็เลยเป็นสัญญาเป็นสัญญาว่าอันนั้นอันสิ่งนั้นไม่นื่งสิ่งนี้เนื่องสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นราไป็นของเรา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 แต่ถ้ามีี่เลสก็าตามไปเลยเห็นโฆษณาในโทรทัศน์มีรดราคาสินค้าที่ไปแล้วมันไม่แน่มันไม่อยู่ปัจจบุบันแล้วไปตามก็ดีตแล้วตามภาพที่เห็นในทอทัาน์ไปสู่อนาคต ถ้าอยู่ในปัจจุบันก็ลื่นเลยนะบามันผ่านไปแค่สองสามวินาทีก็ลื่นเลยนะหรือว่าถ้าจะมีกีเีสยู่มันจะมาคอยกระตุ้นกระตุ้นให้ไปขามันจะใช้ปัญญาตัดบางมันไม่ดีหรอกมันไม่มันไม่ใช่ของของดิของจริงหรอกมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกควาสุขอยู่ตรงนี้อยู่แล้วสบายอยู่แล้วไปแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนทำไมอยู่เฉยๆสบายอยู่แล้ว ถ้ามีความสงบมันจะทุกข์อย่างง่ายแต่ถ้าไม่มีความสงบแล้วแผ่นละลายดีก็โห้ยอยากได้ขึ้นมาวิ่งตาม <c oughs>